สนใจอะไรก็ไม่เศ้าสนใจธรรมะธรรมะมีร้ายประเภททมแปลว่าทรงอยู่มีอยู่ทรงไว้ซึ่งโลกีก็โลกีทำทรงไว้ซึ่งโลกุตระก็โลกุตระรมโลกีทำเอาเป็นประมาณไม่ได้ โลกุตระธรรมวัตถุมสมโอจังโคลวัตถุมาจากสายมาจากหรวงพ่อมหาบ่หลงพ่อมหาสบายบ่อ๋ อ, อทําไปว่าทรงอยู่มีอยู่ทรงไว้ซึ่งโลกีก็โลกีทำทรงไว้ซึ้งโลกุตระ โลกุตรธรรมโรกุตรธรรมมีสี่ชั้นคณเป็นคู่มีสี่ชั้นโซราปฏิมักโซราปฏิผลเป็นคู่ที่หนึ่งสกทาขัยมักสกทาขัยผลเป็นคู่ที่สองอาณาขยมักอาณาขยผลเป็นคู่ที่สามอะรหัตมักอะรหัตผลเป็นคู่ที่สี่นับเรียงองเป็นแปด นับเป็นประเภทหนึ่งองค์เป็นแปดหนึ่งโดาปฏิมรักสองโซดาปผลสามสักทาคามรักสี่กทาคายผลห้าอนาคามักหัวหนักหกอนาคายผลเจดอนาหัตมรกแปดอนหัตผลอัถฐปุริสะพุกขราเรีงนเป็นวุคุลอัถฐปลว่าแปด ยัตตาริคู่แห่งบุรุษสีอ่อาชาปุริสาพุกราบุรุษบุคคลทั้งหลายแปดเอสภคมาโตเศร้ากัทั้งโคนี่ น, นะชาววะรองพระพุทธเจ้าทุกพระองค์วานเนี่ยวานเนี่ ย, นนยลองผูวปวดท้องถ่ายมดวันคืนเนี่ยก็ถ่ายมดคืน ห้ามเบรกวันนี้พอทุกเราอยู่ทานอาหารไปพะเพะท่านี้เราไม่เช่าเนี่ยมันไม่ยากขมเหงมันมันหมดเวลามันแล้วโลกสุนทรีย์เป็นเนี้ย อ, อันนี้โลก ไม่ใช่ตีบสงเลือดไม่ค่อยทันโรคลูกหมากโตปัสสะไม่ออกถ้าปล่อยให้ปวดมากๆจึงไปมันก็ถ่ายไม่ออกเพราะปวดีย ก, กไปเลยจึงเกี่ยวพอะทางวทางนอกจากนั้นก็ยังมีโรคฉลาเป็นหัวจักเขาที่นี่ก็โรค กเาา็เพราะอาหารเพราะอาหารใช่ไหมใช่เต่าผูกอันนี้พูดมาสับสนกันเต่ออนุสัตี่ไปเสอดามเทมักเสอดามเทผล มักกผลมันอยู่ห่างกันพอเก้ามักเป็นตัวเหตุผลเป็นผลของเหตุมักเป็นตัวพืชผลเป็นผลของพืชมักเป็นตัวกรรมผลเป็นผลของกรรมมักแปลว่าหนทางผลแปลว่าผลของการเดิน มุ่งคมหมายเดียวกัเหตุกรรมพืชมัดผลของเหตุผลของกรรมผลของพืชผลของมัดมุ่งความอมายเดียวกันเหตุรับผลมืดเหตุดืมตาผลเห็นเหตุก็ผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าพืชรับผลของพืชก็มืด กรรมหลับพทธกรรมก็หลับมืดกรรมเป็นวาิยาที่ทำทำด้วยกายล้วยกายกรรมทำด้วยวายจาลว้วววาจีกรรมทำด้วยใจล้วยปมโนกรรมพืชก็เหมือนกันเหตุก็เหมือนกันใครเป็นมหาเหตุ ใครเป็นเจ้าของพืชใครเป็นเจ้าของกรรมมโนพืชมโนกรรมมโนเหตุมโนคือใจมนัะก็ใจคำว่าใจเป็นแปลเป็นภาษาใจแล้วคำว่าวิญญาณก็เรียกว่าใจใช่แทนใจมนัะมโน ถ้าใจไม่มีทำมีไหมทำก็มีอยู่ทำทรงไหวทำเกี่ยวกับยิดขับใจก็มีทำที่ไม่เกี่ยวกับยึดกับใจก็ดีก็มีถ้าไม่เกี่ยวกับยึดขับใจคืออะไรก็คืออนุปาทิเสสานิพานทำไม่เป็นฐานอันดอนศักที่จะมาใส่ชื่อหรือนามว่าใจเหตุ น, นั้นจึงบัญญัติว่ารูปจิต เจตสินิพพานรูปมีอะไรเป็นเครื่องหมายมีวัฏุนิยมเป็นเครื่องหมายมีดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปมีวิญญาณคลองเสียงบ้างไม่มีวิญญาณคลองเสียงบ้างรูปที่มีวิญญาณครองเสิงก็คือโยนิชี เร่ยกว่าชาติชาติชาติไม่อยู่สี่ชาติพวกเกิดในคันในไข่ในข้าวในไข่ขจะเกิดพุทธขึ้นชาราพรชาติเกิดในคันอันชาชาติเกิดในไข่ตงเสียชาชาติเกิดในท่อไข้อวบวาติกาเปิดเกิดพุทธขึ้นเรียกว่าชาติอะไรพาให้เกิดก็คือีิเลสโลคโกรธหลงพาให้เกิดถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่มีที่เกิด กิเลสมีใครเป็นหวนัวหน้าใครเป็นจอมพลของกิเลสมีอวิชชาอวิชชาปแปละว่าความโง่อวิชชาเสียไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกขสมุทยัยไม่รู้ในทุกขเนรโรดไม่รู้ในทุกขเนรโรตข่าวมี nh, ปฏิปทาไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตมมมอนาคตไม่รู้ปฏิจจส ม, มุปบาทซึ่งเกี่ยวข้องกันเป็นสาย รับอวิชชาจะเอาอะไรมาดับก็ออกก็เอาวิชาชะนะสัมปโ น, โนมาดับอุปทานสี่กรมอุปทานถือมันในกรมทิฏฐุปทานถือมันในทิฐิสีทัพตุปทาน ถ, ถ, ถือมันในสีนพรสอัตมาทุปทานถือมันวัฏวะตนว่าตัว อัตวาทุปาทานเป็นชอมพลของกิเลสทั้งหลายถ้าชนะอัตวาทุปาทานแล้วอุปาทานทั้งปวงก็เ็สกเจิงเลยมหาสติมหาปัญญาเท่านั้นจะชนะอัตวาทุปาทาน ความไม่หลงเท่านั้นจะชนะความหลงความไม่โง่เท่านั้นจะชนะความโง่ทั้งปวงได้ความไม่โง่ทั้งปวงชนะความโง่ทั้งปวงความไม่หลงทั้งปวงชนะความหลงทั้งปวงสว่างทั้งปวงชนะมืดทั้งปวงขยันทั้งปวง จะชนะเกียรติข้านทางปวง <Yeah. S 1> มันชนะกันอยู่ที่ไหนมันชนะกันอยู่ที่เมื อ, องไกลมันถูกแพ้มันก็แพ้อยู่ที่เมื อ, องไกลแพ่ชนะทางอื่นไม่มีในพระพุทธศาสนา ชนะก็ชนะกิเลสของตนแพ้ก็แพ้กิเลสของตนชนะอื่ น, ม น, น, นมมไม่ได้ดื่นน้ำเถรพระปรมศาสทาไม่ไดเอามาป่ารบเลยชนะนอกจากกิเลสไม่มีอะไดจะชนะและก็ไม่มีอะไรจะแพ้แพ้กิเลสก็คือแพ้ความหลงของตนชนะกิเลสก็คือชนะความหลงของเจ้าทัวเจ้าใจเจ้าธรรม มีปัญหาสอดข้ามาว่าสันติภาพมีอยู่ที่ไหนวิชาสันติภาพใครเก่งกว่าเพื่อนก็พระสมาพุทิเจ้าเท่านั้นเก่งกว่าเพื่อนทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยพระสมาพุทธเจ้ามีวิชาอันเดียวกันตรงกันเลยไม่ได้รับรางพรบกัน พระพุทธเจ้าจะมีกิรล้ลานพระองค์เขามาสอนอันเดียวกันทำเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกของอย่างคาวบาบคมรักตบาทความกลัวตบบาทเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มีย่งางรตบาทไม่มีความกลัวตบบาทแล้วจะตั้งกฎหมายกิร ล, ลา้านมันก็มาอยู่ชาวโลกเพราะม่รลดตาแหน่งกิเลส ธรรมะจะมีดาดดือดก็ตามก็เต็มโลกเต็มช่องสารเต็มหนังสือภายนอกอยู่ไม่ได้เต็มหนังสือภายในของใจบาปก็ตบบอธราตบปสะกดอยู่ในหนังสือภายนอกดีก็ตดธะระีอยู่ในหนังสือภายนอกมันต้องให้ดีอยู่ตัวหนังสือภายใน ค, คือใจถ้าพูดอย่างนั้นแล้วใครเป็นผู้บัญญัติดีบัญญัติชั่วถูก ผู้ดีก็วาา่าบุญชั่วก็ว่าบาปอ๋อใครเป็นผู้บัญญัติดีชั่วบาปถูกก็พระมาสัพุทธเจ้าทุกองค์เดียวเท่านั้นเหลืออย่างนั้นก็ บ, บัญญัติเข้าข้างตัวบ้างเข้าข้างพักของตัวบ้างใครอยู่ระดับใดก็บัญญัติระดับนั้นแมืแงวันอยู่ระดับมูดคูดมันก็บัญญัติระดับมูดคูด เป็นธรรมารถปตายของมันเป็นประชาธิปไตยของมันเป็นโลกนิยมเป็นคนหมู่มากลากไปแต่เมืแร ง, งพุ่งเมืแรงพึ่งมันก็บดบัญญัติว่าประชาธิปไตยของมันก็คือเกษรดอกว่าใครอย่ระดับใดก็ยืนยันระดับนั้นพระสมานพรรมเที่ยาไม่มีกิเลสวัน ญ, ญัติอะไรก็เป็นประโยชน์ ทั้งคนชั้นต่ำชั้นสูงชั้นกลางด้วยเพราะมันเข้าข้างตัวเข้าข้างทำโดยตรงเหมือนนายช่างไม้ไม่ได้เข้าข้างตัวเข้าข้างดิ่งเข้าข้างระดับน้ําเครื่องวัดเครื่องตรวจนื่ไม่คดไม่โกงมาตราช่างน้าหนักเที่ยงไม่คดไม่โกงโกงมาตราวัดระยะไม่เม็ดไม่เซน ยาวานะคือก็ดีหรือโยต์ก็ดีซึ่งไม่ซึ่งไม่โกงชาวโลกตั้งอะไรขึ้นยินดีอะไรขึ้นให้ขนีนอะไรขึ้นไม่มองรูคำสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดวัฒถุนิยมที่ได้มาในทางเชื่อไม่ชอบมันไม่ก็ไม่สามารถเป็นอนัญญะมัญญะอาศัยซึ่งกันและกันดึงกันไป อุดมคติทางพุธศาสตร์ศาสนากวัฒธุนมมกลมกลืนดึงกันไปในตัวได้เหมือนหัวจักดีไม่พาสิ่งที่พ่วงตกหิวพ่วงอะไรเขามีประโยชน์มดเพราะหัวจักดีเพราะหัวจักไม่ตกกลางไม่ตกหนทาง แล้วไ ม, ไม่พาไปชนอะไรวัตถุนิยมที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันเพราะมันเป็นทางหยาบโลนถ้ากรไรแ ล, ลของรรอย่างนีก็ไม่มีใครจะไปเชื่อพระพุทธศาสนาเลย ความในผลของกรรมมันมีอยู่ทำดีตอนไหนสารยุติ่ทําตอนนั้นก็ให้ผลตามส่วนคนค่าของเหตุท่านผู้ใดจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาต้องให้ผลตามส่วนคนค่าของเหตุที่สร้างขึ้นที่ทำขึ้นส่วนจะให้ผลเลวหรือช้าหรือให้ผลขาดหรือไม่ขาดนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับผลของเหตุผลของกรรมไม่มีท่านผู้ใดจะไปอยู่ในเหตุเนือกรรมได้ถ้าพระธรรมไมมีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ําทำได้พระลรมศาสด า, ศ า, ศาถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ําทำได้เหตุนั้นเราจึงเคารพทำไม่ได้เคารพแบบหลงหลงในไหนเราจึงเคารพทำจริงเอาทำเป็นอาจารย์ไม่สาคัญตัวเราเป็นอาจารย์ของธรรม ทำฝ่ายโล ก, กีเขาเหมือนกันทำฝ่ายโลกุตระเขาเมือนกันทำความสอนของพุทธศาสนาเป็นโลกุตระทั้งนั้นไม่ใช่โล ก, กีแม้ปกครองด่าวาสก็เอาอำโลกุตระปกครองทำเป็นโลกบากลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายตะบาับควา ม, วามาากุ่นตะบับเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้นะทำความประท้ดาวาสไม่ใช่ได้ลงละเมิดสีนหน้า ไม่ใช่นายหลวงระเบิด อ, อบายมุกอบายมุกมันเป็นทุกข์เผาโลกมันไม่ใช่วัตถุนิยมไม่ใช่อุดมคติวัตถุชิบหายอบายมุกอุดมคติทางชิบหายถ้ามันโยตาเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อาชัพเจตาเป็นผูน้รู้จักผลรู้จักว่าสุขผล็นผลแหงเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแหงเหตุอันนี้มีมีผู้เคารพธรรมหรือไม่มีผู้เคารพธรรมก็ทำํำทำก็มีอยู่ทงอยู่แต่ใดๆมาไม่มีท่านผู้ใดเปลี่ยนแปลงได้เลยเรียกว่าอริยสัจจธรรมจริงอยู่ ถ้าดินไม่มีอยู erm ่ก่อนเราก็ไม่สามารถใส่ช anyway> uh right uh uh uh ื uh uh ่อเรือนามดินได้ของดับหยาบถ้าน้าไม่มีอยู่เราก็ไม่สามารถใส่ชื่อเรือน้ำได้ว่าน้ําลักษณะอันใดที่เป็นของเหลวเรียกว่าน้ําลักษณะอันใดที่เป็นของแข็งเรียกว่าดินลักษณะอันใดพัดไปมาเรียกว่าลมลักษณะอันใดร้อนพิจารณาว่าธาตุไฟสมมุติกันไม่ใช่ว่าเราสมมติดินดินจึงจะมีเราสมมติน้ําน้ําจึงจะมีเราสมมติไฟไฟจึงจะมี เราสมตสมติรกรมยังจะมีสมมติทำไมก็สมมติที่ตามของที่มันมีอยู่นั่นเองถ้าทำไม้มีอยู่ก่อนก็ไม่สามารถใส่ชื่อว่าทำได้ไม่หาความสุขในพระพุทธศาสนาจะไปหา ความสุกทางอื่นไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยมันก็กลายเป็นกบเลือนายกบเลือนายไปเจอแต่นกกระสาจับกบกบกินวันหน้าตัวสองตัวก็หมดกบฟุงนั้นเคยได้อ่านนะนังซื้อนิทานอิศบ คนขนาดนี้ทําไมไม่ได้อ่านไม่ใช่ได้รู้ละเมิดสิ่งห้าไม่ใช่ได้ศึกษาตราอื่นทําไมจึงไม่ใช่ได้ศึกษาตราอื่นพระเข้าใจชัดแล้วว่าคําสอนพุทธศาสน์สอนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภูมสมบัติในป่าสมบัติเต็มภูมิแล้วไม่มีหนักที่ใดๆจะเหนือพระพุทธศาสนาเลยเหตุนั้นจึงไม่ยอมรับนับถือรัที่อื่น่ะ เพราะมันเห็นดิงลงอย่างนั้นเห็นดิงลงในทางถูกมันก็ถอนไม่ออกเห็นดิงลงในทางผิดมันก็ถอนไม่ออกเหมือนกันผู้เห็นดิงลงในทางผิดก็คือมิจฉาทิฏฐิผู้เห็นดิงลงในทางถูกก็คือสมาทิิใครอยู่ระดับใดก็เสวงระดับนั้น ก็หาระดับนั้นยิ่งหาก็ยิ่งไม่เห็นถ้าเห็นแล้วก็ไม่ต้องหามีแต่ปฏิบัติเอาเท่านั้นพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วย ว่าพุทธศาสนาพินาศลงสันติภาพจะอยู่ได้หรือแล้วก็เหมือนหมดหม้ยสุดทิ่สกุลพุทธใครรานใครรูปร้าวพุทธทรรสงูงผลของกรรมอันไม่ดีจะตามบันจงอยู่ชั่วการนานว่าพุทธศาสนาไม่มีอยู่แล้วใช่ กฎหมายใดๆก็ตั้งมาอยู่อู่ของทำม่นําคํานึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยชาวตรีโลกายาวประมาณพระพุทธศาสนาเชิญพระพุทธศาสนาสร้างบาลีมาตรงเพลงเลยตรงกันเลยพระพุทธเจ้าแต่แลพระองค์พระองค์ก็มีพุทธจริย์สามพุทธะจริยา ทรงวพุธเพื่อเป็นพระสมณพุทธเจ้าญาติตาจริยาทรงวพุธเพื่อสงเคระาะห์ญาติโลตัดตจริยาทรงวพุธเพื่อสั่งสอนโลกจึงทรงพระนามโลกวิทูเป็นผู้แจ้งโลกอนุตรโยยี่ยมผู้ทีสาธรรมสารถ ฝึกตนเหมือนนายสารถีฝึกมาแล้วจึงฝึกผู้อื่นแล้วจึงไม่เดือดร้อนในภายหลังสาธเทอมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดานมนุษย์ตั้งหลายนั่นนะพระพุทธศาสนาสอนโลกเต็มภูมิแล้วเชาาโลกตั้งกฎหมายไว้มาให้พระเป็นการบ้านการเมืองคำว่ า, าการบ้านการเมืองหมายความเพียงแค่ไหนก็ไม่บ่งออกมาเป็นคกํากวม สอนในทางที่ผิดมันก็ผิดคําสอนในพุทธศาสนาเหมือนกันแล้วพุทธศาสนาสอนให้ พ, พธธระพุท ธ, ธ ส, สัมมามเจ้สอนพิคุสัมมาสัุทธบรสอนอมาโศกอบาธิการและสอนตนเองก็มีขอบเขตของพระธรรมวินัยอยู่แล้ว<ม>สอนทีเด็ฐานฉานากถาก็ห้ามเหมือนกันเวทมนตร์กลนักนระถาอยู่ยงคงกระพัน์พราะพุทธศาสนาห้ามเหมือนกันนั่งนั่งนั่นั่ง น, น, น, นัพูดน้อยพระอธิบายพูดายกระเทือนโลก ถูกไหมน่ะก็ไม่ว่าแต่สอนไม่ให้เอาผู้แทนคนนั้นคนนี้ให้เอาซักคนนั้นคนนี้อย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องเอาคนดีใครดีก็ต้องมีอิสระอยู่กับเจ้าของเองอย่าไปอยู่อิสระกับสัตนผู้อื่นปล <c oughs> ่อยให้เจ้าของมีอิสระทางดีทางชั่วทางดีให้เจ้าของมีอิสระเห็นเองทางชั่วให้เจ้าของมีอิสระเห็นเอง เป็นแต่เพียงชี้อบอกเท่านั้นง่นวงนอนก็นอนเองหงวน้าก็ดื่มเองหิวอาหารก็ทานเองเราสถาคตเป็นเพียงแนะนำชี้อบอกเท่านั้นจะทำแทนไม่ได้แต่ชี้อบอกในทางที่ควรบอกไม่ชี้อบอกในทางที่ควรไม่บอกไม่ใช่ว่าจะชี้อบอกไปหมดเลขออกตัวนั่นออกตัวนี้ไม่ไม่ได้บอกอนะก็เรขกมันออกตัวไหนมันก็ออกตัวชี้ผายอ่ะ ทิ้งฟื้นใส่ไฟเพื่อนแลกเอารุนก่อนมารุ่นก่อนมามันก็มีแต่ขิดเท่านั่นๆเห็นคงจากว่าเมเงนดอกบัวเห็นคงจากว่าดอกบัวเห็นเจ้าหัวไปผูกอเล็กเนี่ยนั่นชิบหายตายไม่เป็นทางพระพุทธศาสนาเลยนี่เรียกว่าห้ามมาให้สอนห้ามมให้ภาพเป็นการบ้านการเมืองอันนี้เหมือนกัน ฆราวาสมีหน้าที่ทํากับพระหนึ่งห้ามไม่กระทําความชั่วอวนไม่ใช่หนึ่งด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองโดยพิจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามโดยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาที่ด้วยความเป็นผู้มาปิด ป, ประตูคือห้ามไม่เข้าวานเรือนห้าด้วยอเมสตานหน้าที่ของฆราวาสหน้าที่ของพระ หนึ่งห้ามกระทำความชั่วร้องให้ตั้งในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้งใจอันงามชีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แกมหกบากทางสวรรคิ์ให้เป็นทางถูกอันนี้เปิดโอกาสให้พระมนุษยบัต คืออะไรก็คืออบายมุขมนุษย์สมบัติก็คืออะไรตรงงานข้ามเว้นอบายมุขทุกประเภทเวีนวิบัติภัยวิบัติวิบัติพระเวนีนพระภัยคืออะไรคือเรื่องละเมิดชิ้นหน้าปิดเวนีนปิดภัยปลดอาวุธเวียนภัยคืออะไรคือรักษาชิ้นหน้าเนี่ย อนนมานกันอยู่ทุกยอมย่ า, ามันคือมาจากไหนก็มาร่วมละเมิดมาจากชิ้นห้านั่นใช่ไหมนั่นชาวโลโองนนรมานก็เพราะร่วมมาจากชิ้นห้าใช่ไหมนั่นถ้าชาวโลไม่ชิ้นห้าบริบูรณ์ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโัวตรวนก็ไม่ต้องมีกุญแจก็ไม่ต้อง ม, ขของ ม, องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้า เรือนจำก็ไม่ต้องมีค่ากันตายาน้าใกันไว้ก็ไม่ต้องมีบางทีก็รถหยียบเท่านั้นก็ไม่เจตนาโรคเวียดเวียนเท่านั้นอันนี้ไม่รู้ว่าโรคเบียดเบียนนี่อะไรต่ออะไรฆ่ากันไม่รู้ว่าใครกับใครเอาใคร เอากันมาแต่หลายภพหรายชาติจนนับไม่ไหวกูทีเมืงทีหลักหมัดแรกหมัดเขาแรกเขาศอกแรกศอกมาใครจะว่าอเก่งค่ะเหมือนพระสมาพระพุทธเจ้าเป็นไม่มีเลยอุทธาตาวินทะเตชะนาง คนมันย่อมหาทรัพย์ได้ไม่ใช่มันเล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่นเือนักเลงหญิงนักเลงจุฬานักเลงเล่นการพนันกคนชั่วเป็นมิตรเกี้ยกล่้านทําการงานในทางที่ชอบเป็นทางชิบหายแสวงหาทรัพย์ได้มาโดยทางที่ชอบแล้วหนึ่งเลี้ยงตัวบิดา มานาบุตรภรรยาเบาใพรเป็นสุขสองหรือย่างเพื่อนสูไงไพรเป็นสุขสามทำบัมบัดอันตรายที่เกิดแต่เหตุต่างสี่ทัพพีห้าอย่างคือกอยาทิพีสงเคราะห์ญาติขออทิตยิพีต้อนรับแขกขอรรพระพิจารณทิพีทำบุญอุทิศให้พูะตายงอราชทิพีถวายเป็นหลวงมีเสียค่าอกรังก้นเป็นต้ น, นห้าเทวตาทิพีทำบุญอุทิศให้เทวดา บริจาคทานในสมณะพรามณผู้บอกเพื่อชอบทางชิบหายก็บอกทางเจริญก็บอกบอกในมนุษย์สมบัติบอกในสวรรค์สมบัติก็เหมือนกันบอกในพรหมสมบัติก็เหมือนกันบอกในนิพพานสมบัติก็เหมือนกันเขี้มทิศจะมีกี่ล้าน ก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวฉันใดคําสอนใดๆก็เป็นมังึ้นคําสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่ก็ผู้รู้เลยไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่ก็ผู้เชื่อเลยไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเลยเรียกว่าอริยสัจธรรมพิจารณาทางนึกเพื่อให้นึกในหลายทาง น่าพอน้องครองมือบางต่างๆลยลงสู่มหาเถรุตเดีโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคาสอนใดๆก็ได้ลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกว่าจริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้อะไรไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่ออะไรไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเลยนะนะนนะอนิยสเจสุเอวันติปริวัตตังรัวตาการังยะท่าภูตังแยนัดสนัง เรามียะถาภูตยานรู้ชัดแล้วพระบรมศาสนาพระบรมศาสนาใครเกง่งสักเพียงไหนก็ไม่เท่าพระบรมศาสนาเลยพวกกินตกวีแต่งเรื่องจริงให้เขือเพื่อให้แพเราะในเชิงกลับอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ก็เล่มก้างพระพุทธศาสนานั่นเองอาศัยคําสอนของพุทธศาสนาแต่งออกมาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอาศัายภระไตรปิฎกทั้งนั้น แต่ออกมาแล้วามายืนยันนะยืนยันจะเป็นคำสอนของตนเองไอ้เท่ๆกา้าไปรักเอาขนหางและขนงอนของนกยูงที่ร่วงหล่นอยู่ตามป่ามาแทรกแซงขนของตนแล้วมีน้ำซ้ำตัวเขามันเขาน้องกา้าก้าก้ากล้าอยู่อีกเช่นด้วยใช่ไหม <laughs> ใครจะเก่งดาดินบินบนไปเดียวนี่ก็เรียมก้างพระสมาสพรพุทธเจ้าเพราะท่านได้ประสบการณ์มาแล้วใครจะตกนรกทั้งเป็นก็เรียมก้างพระสมาสพรพุทธเจ้าและพระัารททั้งหลายทั้งนั้นเพราะท่านเหล่านี้ท่านได้ประสบการณ์มาทั้งทางดีและทางชั่วเหตุนั้นจึงเอามาสอนโลกได้อย่างผึ่งภายเลยนะ เชื่อพระพุทธศาสนาไม่ขาดทุนไม่ได้ตกร่อเชื่อทางอื่นต้องตกร่อตกร้อมันเก็บกว่าตกเวียนล่อรวงโหนเอกทางของพุทธศาสนาพาระเจ้า ท่านทั้งหลายทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนั่นเป็นผลเอกแล้วจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาโรคทิพย์ใจทิพย์ทำทิพย์ทางชั่วก็เป็นทิพย์เหมือนกันไปเหยียบไฟเวลาไหนก็เป็นทิพย์รอนเวลานั้นใช่ไหมเว้นเวลาไหนก็ไม่รอนใช่ไหมนั่นเป็นของทิพย์ทั้งสองทาง นอกจาโรคทิพย์ใจทิพย์ทำทิพย์นอกจากใจไม่มีอะไรจะทําดีให้ใจนอกจากใจไม่มีอะไรจะทําช่วยให้ใจใจเท่านั้นทําดีให้ใจใจเท่านั้นทําช่วยให้ใจใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็เป็นเรื่องขึ้นก็เป็นเรื่องของใจไม่มีท่านผู้อื่นจะมารับรองให้ตาหูจะูเรียนกายมันก็ไม่มารับรองคนตายอย่างนี้วิญญาณมาอยู่ในที่นั้นมันก็ไม่รับรองเลย มไม่รู้อีนกอีนิอะไรคำว่าขี้ใจมันก็ไม่ว่าอะไรเพราะมันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีใจเป็นผู้รับรองอยู่นั้นไม่มีโทรเลขโทรศัพท์อยู่นั้นผู้รักษาโทรเลขโทรศัพท์นี้แล้วไม่ได้อยู่ในที่นั้นจริงแล้วนี้เป็นหน้าที่ของชาวสนใจชาวพุทธจะรู้ทั้งนั้น กรรมูนาวะตะัตติโลกโกะโลกเป็นไปตามกรรมผลของกรรมเป็นสารยุติธรรมแบ่งให้ให้เพียรบำนัดบำเน็จบำนานไม่ลำเอียงเลยเรียวกว่าสารยุติธรรม ขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมถ้าทำถูกแล้วก็ไม่ต้องขอขอความเป็นธรรมถ้าทำไม่ถูกก็ต้องขอต้องข อ, ต, องต้องปฏิบัติให้ถูก <c oughs> ถ้าปฏิบัติถูกแล้วในะตอนนั้นก็ไม่ต้องขอขอความเมื่อด้างไม่ได้ว่าเนี่ยรับตาลงแล้วเมื่อแล้วเนี่ยขอความเห็นบ้างรื <c oughs> อ้อตขึ้นแล้วก็ไม่ต้องขอเนะี่ย อาโรคแสงกระาษนี่หละอ๋อเหตุก็ผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนอนผลก็นอนเหตุพูดผลก็พูดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุก็ผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุหลับผลก็มืดนี่ยังไกลอยู่ เหตุหลับผลหลับเหตุมืดผลมือดอยังใกล้กันรับรับคำมืดไม่อยู่ห่างกันพอเก้านั่นนี่นาอรวมขึ้นท่าทุกขทุกข์ไปแล้วมารติปัญญาของท่านเต็มภูมิแล้วความลงของท่านก็เตอ๊กกรเจิงแต่ออกจา ก, กจิตใจนี่ว่าข้ามทะเลหลงไปสั ใครหาความสุขในโลกในไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นก็พัฒน์เท่านั้นหาไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเหตุนั้นจึงเบื่อหน่ายความหลงของตนไปซะเปิดประตูวันเสียนเจ้าเปิดเจ้าถิ่นต้องหนักในปฏิสันถาน บูชาสองอมามิสซาบูชาบูชาโดยอาิตสคือสิ่งของหรือดอกไม้ทูปเทียนหรือว่าถัอ่อื่นปฏิบัติบูชาบูชาด้วยปฏิบัติตามนะที่ไหนพระบรมศาสดาไม่สอนไม่มีเลยสอนแต่คอธราไปสอนคอ ไปจนถึงตัวหอทงคู่สอนฉลาดอ่าอีอีออไปเหมือนกันที่ไหนไปสอนได้มีพระบรมศาสตราเราจะไปหามนุษย์สมัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติที่ไหนก็คำสอนของพระบรมศาราไปนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติบริบูรณ์แล้วเราจะไปเป็นกบเลือกนายเดี๋ยวก็จะถูกลกสาลงมากิน ผัวก็มียพอเรามาศาสตร์เาก็สอนด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาสองไม้เดียมินสามด้ยไม่ประพฤติร่วงใจสี่ด้วยมาความเป็นใหญ่ให้ห้าด้วยเครื่องแต่งตัวภรรยาจัดการงานดีสองข้อคุณค่างเคียงของผัวดีสามแม่ประพฤติร่วงใจผัวสีรักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้ห้าขยันไม่เกียจค้านในกิจการทางปวง นั่นเทวดาและมนุษย์มานฟมตัวไหนจะมาสอนดีขนาดนี้นั่นสอนพ่อสอนแม่กับลูกหนึ่ง้าแม่ก็ทำความชั่วพ่อแม่ลงทุนแล้วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลธรามวิทยาสีห้าภรรยานะสามีที่สมควาให้ห้ามอบทรัพย์ภายในสมัย น, น่พ่อแม่ส่วนลูกที่นี่ หนึ่งท่าได้เรี่ยงมาแล้วเลี่ยงท่านตอบของทำกิจธุระของท่านสามดำรงองค์ตระกูลที่ประพฤตินตนเป็นคนควรรับทรัพย์มรดกห้ามเมื่อท่านลองรับไปแล้วธรรมบุรุษที่ท่าน น, นั่นนั่นอใครจะสอนดีเท่าพระพรทธองค์าสัาไม่มีเลยสมามาทิฏฐิบางต้นคือสัมมาทิฐิของพระโสดาบันชั้นที่สองสักทาคามีละเอียดไปกว่านั้นชั้นที่สามสักทาคามี ขั้น Barn, ที่สี่พระทหารสมาธิสติสมาสิทธิเห็นชอบพระทหารเห็นชอบจนไม่มีโรคมีโกรธมีหลงเห็นชอบจนไม่มาเกิดแก่แก่ตาอยอีกเลย<ม>เรียนปัสมารเรียนสมาธิสิติจบพระทหารณโมก็เรียนจบแล้วณโมแปลว่านอบน้อมพระทหารนอบน้อมจนไม่มาเกิดแก่แก่ตาอยอีกนอบน้อมจนไม่มีโรคมีโกรธมีหลงณโมพระสวัดามัน นอ้นอมๆเคารพไม่ถือศาสนาอื่นไม่ล่วงละเมิดชินห้ามียางอายตอบามีความกลัวต่อบาปนอ้นอมๆจนไม่จองเวรท่านผู้ใดนอ้นอมๆจนไม่ครอบมิตรชั่วแต่ไม่ให้กระเทือนเขาเพื่อนๆดื่มสุราเถิดเออขอบพระคุณมากครับยกมือแส่หัวผมเป็นโรคครับเป็นโรคอะไร โรคบาปแต่ไม่อธิบายเพราะกระเคนกันเท่านั้นมันกระจบกันเนยอะเป็นโรคบาปมันเป็นโรคบาปแต่เราไม่อธิบายเพื่อนเพื่อนเอา้าสุราครับขอพระคนมากผมเป็นโรคครับเพราะอภัยมากมาอย่าไปอธิบายว่ามันบาปอย่างนั้นอย่างนี้เดี้ยวท่ากันถ้าอย่างนั้นไม่โกหกหรือไม่ได้โกหก พระโรคบาปนั่นเองโรคชิบหายนั่นเองเชียทับกว่าการธรรมาารเกิดโรคต้องตเตรียมเมนูจักอายทอนกาลังวัญญามันมีโทษหกดื่มโุราแต่เราไม่อธิบายถ้าอธิบายเดี๋ยวมันกระปั้นเอากันดีไม่ดีก็ปืนเอากันเลย น, นเพราะคนหนึ่งมันเมาแล้วแล้วก็ออกอย่างนั้นผู้ผู้ใหญ่จูมท่านในอำเภอร่วมมาแล้วจะนานแล้ว พรยจุมเอ้าสุลาขอพระคุณครับมารดาของผมไม่ให้ดื่มครับมารดาของท่านเป็นอะไรเป็นแม่ขาวครับเออถ้าอย่างนั้นขอสาธาุยกมืออย่างเหมือนแบบขวานท่าว่าถ้านในอเภอท่านก็ไม่โกรธ ผู้ใหญ่จูมบ้านหอยทรายเราจกะเชียณแล้วหมอหนึ่งอยู่การศินษหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่ต้องการจะได้ทำชั้นสูงจะทำยังไงเดี๋ยวนี้เป็นอารมณ์อยู่กับเครื่องดักสัตว์เครื่องดักดักสัตว์น้ำหนึ่งแหสองอวนมีมากขนาดไหนอยู่อยู่บ้านคุณ ก็ประมาณหกหมื่นราคาอันอื่นละได้หมดแล้วยังเหลือแต่เครื่องดักน้าําดักสัต์น้ําสันบกอ่ะดักสันน้ำ น, น, นี่เองถ้าคุณเคียด้ก็อย่าทําถ้าคุณไม่แค่ได้แต่รักสินรักธรรกว่าอันนี้คุณก็ไปเผาไฟทิ้งซะแต่ให้พอใจเจ้าของอย่าให้ถือเป็นของหลอกลวงถ้าฝืนใจเจ้าของก็อย่าไปทําถ้าเจ้าของเต็มใจจึงไปทํา เดี๋ยวจะหามาล่องปูหลอกปรับอาบัติฝาอะไรชื่อล่องปูหล้วลองปูไม่รับเนอะแล้วก็พูดถางอะไรพ่อพระบรมาศาสนาสอนให้เห็นเองสอนให้เรื่มใช้เองถ้ามันไม่เห็นเองมันไม่เริ่มใช้เองมีค่าจ้างรางวัลหมดค่าจ้างรางวัลมันก็ขบรคืนอันนี้เท่าสมากูผืนนึงพลอยสีผืนนึงอยู่นี่ไม่ใช่ได้บรอมือเท่ า, าจอกผ้าวหน้าเพื่อเพ้นทุก น, นัยวตาทรงสารผลถ้านหน่อยขอใหกายท่านร้ายก็ให้เว้น ย่อมันมาท่องเที่ยวในวัดตาทองศาลอีกเลยมันมาเป็นเงินใหม่มันเปลนเงินเก่เกาจะค่อยมาเนี่ยอันพูดจะ ก, อก่อพวนี่มันมันพูดจะ ก, อก่อไม่ได้อันมูห่อเนี่ยมาถิมมาถิมห้างกระดูกอะไนี่หลายศาสหลายพลดพวกแห้งแล้วเออน้าตามูอห่อผ่านว่าในวัดตาทองศาลเนี่ยชั่วกลับหนึ่งเก็บไว้หน้าหน้ามันยังออกล้าตากลับนึงก็มีพระพุทธเจ้าหาพระองค์บ่างที่พระองค์บ่าข้าเข้านี่ไม่หาพระองค์ พ, พัตตะกับ ว่าห้หน้ำตาเสียไปได้ชีมหาสมุทรผูร้นึง่งผูห้หนึ่งกระดูกแกะไว้พูดละทองว่าไม่เมื่อไรว่าห้เสียไปง่ายก็พวกเขาเห็นอะไร น, นั่นนันน่นนัมูเฮ้าถือว่าเข้าใจว่ามันของใหม่ของเก่าของมูเฮ้านะที่เฮ้าเคยทองที่เอามาในวันตารงสารเนี่ยหายใจเขาออกมูต่อมันของเก่าก็ของมาว่าตัวตอวมูต่อไม่ของใหม่ก็ของเก่าที่เฮ้าเคยหายาใเข้าใจเขาออกมาแล้วก็มนึกคิดเหมันของเก่าที่เฮ้าเคยนึกคิดมาก ล้องไปร่วงไ ป, งไปมันเป็นยังไม่ใช่เนื้อหุ้่มแถวมันเนื้อขาความสุขมันก็มันไม่ได้อะไรผก็บึกไปนึกไ ป, กไปวัดไปวัดมาวันไปวัดมายังไม่พ้นจากกองทุกยังไม่ไม่มีญาณว่าพ้านทุกแล้วโดยชิ้นเชิงเธอทั้งหลายอย่านอนใจโน่เดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังพระพุทธเจ้ามา่อเธอรุกเอ๋ยร์้านเอ๋ยรข้า ม, มาทางนี้คําสอนของพระพุทธเจ้าอุปมาคือห้องบอกโม oh ่เฮาอยู่ หิมะเ้อลุกใกล้ร้านเ้อไอ้สันพ่อขามมาแล้วอุปมาคือว่างกันเบิ้นหันเป็นเบรรินไท่จับกินบีพ่อขามมาแล้วอุ่นไววคัดของโบยูหิมหลูกใกล้ร้านเออผู้ใดบาดไมีแก้กามาแล้วหิมาผู้ใดยังอ่อนโยกจําเป็นละไอ้สันผู้ใดเลี้ยงถึงไปรลียงญาติแล้วหิมะทำงานก็พอพี่ทราบไอ้สันส้ันสูงว่าสันผู้ยู่งสันตั้มจะจำเป็นละกอสรากาขอสราขาเนีาา่ยไอ้สันผู้สูงได้สมควรแยลหิมะลุงใกล้ไอ้สัน พอรับคนเขางานนะรับคนเขางานพระเนี่านนะ่ะเข้าใจบ่กผว่าได้ไม่สูงแล้วมั่วมั่วเฮาเป็นเชลซีเขาซ่องแมงดาเช่นนี้ที่จะไม่เทา่าผู้เฮาเป็นซองแมงดาเช่นกันนะเนเี่ยเออติปที่ในหลวงเนโกในหลงในมั่วเฮาก๋าขิง ใ, น, ใน้ำหลวน้ำโกน้ำห ล, ลงแ <laughs> น่นะ เราเปิดกรสุดเพราะเกลียดเลยสิว่าอย่างไรค้าขายของอหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นอะไเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าวพ่เป็นอาหารค้าขายน้าเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างเหล่านี้พระชวิาดาบันไม่ร่วังละเมิดเลยนางวิสาขาก็ไม่ทําเลยแทนที่จะเป็นคนจนรวยทรัพย์อีกเแคด้วยนางวิสข า, ามีซัพแปดที่ปด ถ้าหากว่าลูกคนผู้มีชิ้นห้าบริบูรณ์มันจะอดตายอย่างนี้เพระบรมศาสตาเขาเป็นคนโง่หลอให้คนอดคนอยากตายคําสอนก็ไม่เป็นที่พึ่งของโลกได้เป็นที่เบียดเบียนโลกคนมีอายุสั้นเพราะเหตุใดเขาเคยฆ่าสัตว์มากก็าอายุสั้นคนมีอายุยืน แต่ว่ามีโรคมากเหมือนหลวงปู่นี่อายุยืนหลวงปู่แปดิแล้วเขาว่าอา ย, ยืนแล้วกว่าแล้วจะเคยเบียดเบียนสัตว์ก็จำเป็นก็ต้องมีโรคมากอายุยืนด้วยไม่มีโรคด้วยองค์หลวงปู่เทศมีอายุยืน คนมีทรัพย์มากเคยบริจาคทานนับจะเข้าแมถตาภา ก, ภกเั้นหนึ่งไปไม่เป็นคนเจนีเห็นนั่นจะเป็นคนมีทรัพย์มากคนหาสมพอได้ก็ไม่ได้สมพอรวยก็ไม่รวยก็ตรงงันข้าม คนที่มีสิ่งของเนี่ยถูกเขจี้เขาร่นบ่อยๆสรพัดเพราะเราอะไรสร้างไว้อย่างนั้นประวัติศาสตร์รรเว้ถ้ามันได้สร้างในชาตินี้ก็ชาติก่อนเป็นพูดอย่างนั้นเพราะเราเกิดมานับชาติได้ตั้งแสนชาติล้านชาติไม่ใช่เป็นของใหม่เราเกิดม า, าเป็นของเก่า ที่ดินมูนี่เพราะเราเคยมาตายใส่คนหนึ่งหนึ่งที่เอามาเกิดตายในวัตาสงสารเนี่ยช่วพระพุทธเจ้ากับหนึ่งกับหนึ่งมีสี่พระองค์บ้าห้าพระองค์บ้าให้เก็บกระดูกแก็เท้าหัวแม่มือไม่ให้อันตรทานไปก็ใหญ่กว่าภูเขาเห็นอะไร แต่ละคนละคนน้ำตาที่ไหลออกเอาไว้ยศชาติระยศไม่ให้อันตรทานไปก็มากกว่ามหาสมุทรสีมหาสมุทรเห็นนั้นท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าโรคอันนี้เป็นโรคใหม่เป็นโรคเก่าของพวกเราที่เคยท่องเที่ยวมานั่นเอง โรคตาหูจมูกเลี้ยกายกายโรคภายในก็เหมือนกันโรคภายนอกกรุกเสียงเสี่ยนรถโพธ่สพัธรรมารมก็เหมือนกันโรคลยียนน้าไฟลมันอื่นก็เหมือนกันอย่าเข้าใจเป็นโรคใหม่เป็นโรคเก่าของพวกเราที่เคยท่องเที่ยวมานั่นเองเธอทั้งหลายจงสลดสังเวชซะเธอทั้งหลายมองไปในมนุษย์โลกคนนั้นไม่เคยเป็นพี่คนนี้ไม่เคยเป็นน้อง ไม่มีเลยไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งไม่ใช่ชาติมันก็เป็นชาติเทวดาก็เป็นชาติสตัตว์ที่ละฉานท่านพวดทางนั้นเพราะว่าเรามศาศาสตร า, ศ า, ศาไปหาดูหรูในโลกเนี่ยไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งท่านพูด่างนั้นโยมคนหนึ่งไปรักษาสินแปดอยู่ที่เมืองสาวบถีวัดป่าเขตตะวันมหาวิหารคอยจวนจะสว่าง เคลิ่มพากันเคลิ่มหลับไปในระหว่างตีสองตีสามตีสองเข้ามารัดคอเอาไปฆ่าที่ดิมวัดตายตื่นขึ้นมาก็พากันสนทนากันวุ่นวาย เหตุไม่สมผลเหตุไม่สมผลเหตุไม่สมผลอ๋อพระบรมศาสดาก็อยู่ในวัดนี่เชียด้วยพวกเราก็รักษ า, <ด>าศีลอยู่อยู่อีกด้วยทำไมศีนจําพวกนั้นจึงไม่ไปคุ้มพระบรมศาสดาทําไมจึงไม่ไปคุ้มเหตุไม่สมผลเหตุไม่สมผลเหตุไม่สมผลคนทั้งหลายก็บ่นพิไลํพาพันกันพระบรมศาสดาทราบครั์ก็ได้ลงไปถาม เพรคุณพูดอะไรสันเรื่องนั่นแหละพระองค์เหตุไม่สมผลมันก็สมผลสิพวกจําพวกนี้กูฆ่ามึงเมืองฆ่ากูมาได้แสนชาตินี้ไว้ไม่ใช่ของ ง, ง่ายๆนั่นกูฆ่ามึงเมืองฆ่ากูมาได้แสนชาตินี้แล้วเวเดหิริเวเเวนย่อมไม่นิเวณพระรามศาสตาไทยย่อมไม่นิไทย ทำอันเล็กซึ่งไปยังมีกว่านี้อะโผอันนี้พูดเบื้องต้นอพูดบางกลางใช่พูดบางกลางก็ศีลบางกลางสมาธิบางกลางปัญญาบางกลางเหมือนกันเอา้าเห็นอันนี้จังคณะจิจหนึ่งเขาเห็นรอบรอบหนึ่งแล้วนี่หายใจเข้าไม่ไว่แต่มันต้องการเพราเราบัญญาติว่าต้นลม มันก็กลายมาเป็นกลางลมพอเราบัรดับว่ากลางลมมันเป็นมันมันก็เป็นท้ายลมเวลาหายใจออกเราบญรดาบว่าเป็นต้นลมมันก็กลายเป็นกลางลม Gor แล้วมันก็กลายเป็นท่างท้ายท้ายลมวนเวียนกันอยู่ความเกิดขึ้นห้าระหว่างไม่ได้ความแป็นพวนห้าระหว่างไม่ได้ความดับไปห้าระหว่างไม่ได้วนเวียนอยู่ในอู่ปันจะขันคำพูดแต่ละวัตรบาดก็ล่วงไปแล้วพูดอีกก็ล่วงไปอีกพูดวันยังค่ำก็ล่วงไปยานอันยังคําเหมือนพยับแดครับ ล่วงไปล่วงไปเลยนี่คืออันนี้จังอันละเอียดนะได้ใ น, ในโลกล้วนอันนี้จังได้ใ น, ในโลกล้วนทุกขงังได้ในโลกล้วนอนัตตาเราสงสัยเรนาะทั้งอดีตทั้งอานาคตทั้งปัจจุบันด้วยเมื่อเห็นความเกิดดับหรืออันนี้จังคณะาิตเนี่ยก็เห็นโลกครอบหนึ่งไม่ต้องสงสัยโลกเลยเอาปัจจุบันเป็นพยานเมื่อเห็นอนนี้จังในปัจจุบันอันนี้จังในอดีตอานาคตก็ไม่ต้องสงสัย เมื่อเห็นทุกในปัจจุบันทุกในอดีตนาคตาชกำลังต้องสงสัยเมื่อเห็นความเกิดแก่แกบตายในปัจจุบันชัดความเกิดแก่แก่กกกตายในชาติอดีตนาคตาชกำลังต้องสงสัยเพระเอาปัจจุบันเป็นพยานถ้าไมาอย่างนั้นเขาไม่มีท่านผู้ใดจะสิ้นความสงสัยของตนไปได้นั่นนี่ธรรมาชัดกลางทธรรมะชั้นสูงยังมีไปอีกกว่านี้ทําแต่ะละบาดส่งต่อพระนิพพานหมด พูที่สร้างวาด้มีแก่ก้าวมาแล้วท่านก็ไม่ได้เทศมากเพก ร, ราะบมศาสนาเทศคาถาเดียวเขาก็เพลงเลยโยมคนหนึ่งมากล่าวทูลเพราะบรมศาสตาเพราะพระ อ, องค์เทศท้าพระ อ, องค์ฟังด้วยเออเราวินธาบัดอยู่อบางทีพระ อ, องค์สิ้นลมพานเยวนี้ก็ได้บางทีก้าสิ้นลมพานเยวนี้ก็ได้เออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเป็เจ้าสักวันลูกเป็นเจเสีย น, นเนี่ยสักว่าเห็นเนี่ยครับพอแล้วแตกฉานเอาไปทำให้ซาสีด้วย สำเร็จพระอรหัด้วยพอมองเห็นก็รู้ว่าโยมคนนี้จะจะสําเร็จพระอรหันเนี่ยแต่ว่ากรอนพาไปก็พูดเฉยๆเป็นเจ้สักว่ารู้เป็นเจ้สาวว่าเห็นเนาะครับพอแล้วทําไมจึงว่าอย่างนั้นอธิบายดููเป็นเจ้สักว่ารู้เป็นเสักว่าเห็นไม่ได้ยึดถือผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลรู้แล้วก็ล่วงไปแล้วเห็นแล้วก็ล่วงไปแล้วไม่ยึดถือผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้เท่านั้นก็ข้ามทะเลลงไปแล้ว ทำไมยังเป็นอย่างนั้นพระดอกวัวมันบานมันกําลังจะบานแล้วเพราะได้ถูกรับสมีมามันก็บาลได้ไหมเพราะสร้างบา ร, รมีแก่ข้ามาแล้วเหตุนั้นจรงว่าทําแต่ละวัตระบากร ส, ส่งต่อพระนิพพานหมดมันขึ้นอยู่กับผู้บา ร, รมีแก่ข้ามาแล้วหรือไม่ตอนนั้นผู้ที่บา ร, รมีแก่ข้ามาแล้วพุโทโธไปพามาเกิดพุดโทโธไปพามาแกิพุโทโธไปพามาเก็บพุโทโธมาทำไมพามาตายธโมสังโกก็เหมือนกัน ธรรมโอสองไม่ถึงทําอันไม่เกิดไม่แก่ไม่แก่ไ <Beng> ม <Zen> ่ตายชังโคลปฏิบัติเพื่อไม่มาเกิดแก่แกบตายเพื <t> oh> mm. ่อไม่มหาโลกมาโกลมาหลงนี <t> oh> mm. ่นพุทโธผู้ใจสูงทําสูงพุทโธผู้ใจต่ำทำต่าพุทโธเลขพุทโธผาพุทโธวัตรพุทโธเบอร์นั่นนั่นหนโมความหันกันไม่ต้องพูดมากก็ได้นั่นนั่นนั่นทำวัดเดียวส่งต่อพระนิพพานหมด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 ก็พระเทศดูสี 5, ส่สิห้าพรรษาไอ้ที่เทศก็ไม่ในยาวถึงขนาดนั่นหรอกเอเทศสั้นก็ดีเทศยาวก็ดีเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากราคะโทสะโมหะเท่านั้นทำมะในเพื่อไปบวกกับราคะให้จัดขึ้นโทสะให้จัดขึ้นโมหะให้จัดขึ้นอันนั้นไม่ใช่คําสอนพุทธศาสนาอันไหนเพื่อทําให้ราคะโทสะโมหะเบาลงอันนั้นแหละฟังเทศถูกบางที่ท่านก็ด่าเหมือนกัน ดาพัทสุธินเออพัทสุธินไปเล่นภรรยาเก่าตนเองต้นต้นบันญยัดมันดีสําหรับเธอมันไม่ดีสําหรับนักปราชญ์ทําทั้งหลายเราเก่าให้เธอบันเทาลาคะเธอกลับเอาไปบวกคูณเข้าเพื่อให้บันเทาโทสะเธอกลับเอาไปบวกและคูณเข้าเพื่อบันเทาโมหะเธอทั้งหลายยิ่งหลงเข้าไปอีกโมฆะบุรุษโมฆขโมลุดทาไมจึงดุ อย่างนั้นมันก็แล้วไปแล้วมันจะเอาคืนได้หรือไม่เอาคืนไม่ได้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังอยู่ข้างหลังไม่ใช่ดกเรากินกล้วยเราทําไมไม่กินทั้งเปลือกมันปอกทิ่งทําไมโกรธทําันหรือมันนี่เป็นประโยชน์เรากินขนุนกเหมือนกันมะม่วงกือนกันทําไมไม่กินทั้งเปลือกปอกทิ่งเพราะมันไม่มีประโยชน์อันนั่นก็เหมือนกันทําควาสอนยพระบรมศาสตรามีนิดเดียวที่อธิบายมากก็พระไม่เข้าใจ ก็ต้องอธิบายมากพ้ที่สร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วอธิบายนิดเดียวท่านไปเลยพระบรมศาสตราเดินไปเดินไปเลยมีชายคนหนึ่งโ อ, อ้พระบรมศาสตรามาแล้วเขขอถามจะําบ้าทำไมองค์สมเร็จพระบรมศาสนาเขาถามอะไรไม่คาเลย ตอบชัดได้ทองไว้หรือไม่พระเจ้าข่าเขากําลังทํารถอยู่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรรถม้าเขาทําเขาเรียกว่าดุมมันครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ากำมันครับอันนี้เรียกอะไรเรียกว่าโกงมันครับคุณได้ทองไว้หรือไม่ไม่ได้ทองไม่ได้ท่องไว้ทําไมจึงตอบเร็วนักพระชานานครับ กระถาคดก็เหมือนกันไม่ได้ท่องไววเพราะชำนาญ <c oughs> ใครจะไปฉลาดเทศนาวิธีเท่าพระบรมศาสด า, ศาไม่มีเลย <c oughs> บางท่านก็ถามว่าบาปมีไหมบุญมีไหมคนตายแล้วศูนย์หรือเกิด ก็บรมศาสราก่อนนิ่งจนมุมหรือจังนิ่งคล้ายๆกับว่าตาของดิฉันหรือของผมมันบอดแล้วครับขอเรียนวิชาสนเข็มจะบอกให้ก็ไม่มีประโยชน์ทั้งผู้บอกผู้จะสนเข็มก็ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่จนมุม ลำเอียงหรือไม่ใช่ลำเอียงเราไปหาเสาเรือนหรือไปหาไม้มาทำเรือนเราลำเอียงหรือทำไมจึงเอาไม้ทำไมจึงไม่เอาไปพบไม้อันไหนก็ต้องเอาสิเพราะมันไม่มีประโยชน์ไม่คุ้มค่าทุกไหมนั่น ทำคำสอนพระพุทธศาสนา็นศาสนาประจำโลกไม่ควรดูหมิ่นทมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภมสมบัตินิพานสมบัติเต็มภูมิอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติไม่นิพานสมบัติผมสมบัติไม่มีในคําสอนศาสนาพุทธเอ้าบางท่านก็มีแซงว่าทําไมพระจึงเป็นปาราชิกมากเอ้า ถ้าผู้เป็นประราชิกท่านก็ยังลาศิขาให้หมดแล้วนั่นอ่ะผลของกรรมเห็นไหยนั่นมีผู้ทําลายพุทธศาสน า, าได้ไหมมีผู้พวดนํำลายขึ้นฟ้าได้ไหมเราก็ถามได้เหมือนกันมีกองทัพนำลายบวชนฟ้าถึงไหมมันก็ไม่ถึงถ้าไม่ถึงมันจะไปไหนก็ลงใส่หน้าของใครของมันใช่ไหมนั่น มีผู้ทำลายความชั่วได้ไหมไม่มีผู้ทำลายได้นอกจากพระอรหันต์ท่านอาหารหันต์ท่านพระอรหันต์ท่านทำล า, ายออกเฉะเพาะตัวท่านแต่คนอื่นเอาไปทำไม่ปฏิบัติมันก็ไในคนชั่วอยู่ถ้าทำดีไม่ใน ด, ดีทำชั่วไม่ในชั่วคำสอนพะุทธศาสนามันก็ไม่ขลังนั่ พูดทำชั่วจะตายก็มาในชัว่วผู้ทำดีจะตายก็มาใน ด, ดีเอา้าวเราทำดีอยู่ทําไมแรกแต่รับชัว่วเนี่ยชาติก่อนท่านทําอะไรบ้างตั้งแสนชาติท่านจําได้ไหมนัก <c oughs> มันตามมาเราไม่ได้ทําไวชาตินี่ชาติก่อนเราทําไวเราก็จําไม่ได้ก็ไม่ว่าแต่เท่านั้นแต่ว่าเรานอนคืนวานนี่เราฝันอะไรบ้างมันก็ยังจําไม่ได้เออไม่ต้องพูดทั้งชาติละอา้าวนอน แล้วเขมีปัญหาสอดเข้ามาอีกว่าท่านนจะเลือกชาติได้ไหมแต่ก่อนชาติเป็นอะไรท่านเป็นอะไรมาถ้าจะท่าจะตอบในทางปรมัมภะก็ตอบได้คำว่าชาติแล้วมันเป็นทุกข์ไม่พอใจอธิบายเลยทีนี้จะว่าเขาตอบผิดไหมเขาก็ตอบไม่ผิดเอา้าท่านเก่งไหมท่านนับเม็ดทินเม็ดทรายในเท่ามาหาสมุทรได้ไหม ตลอดทั้งแม้แดดแม้ลมไม่ฝนแต่หลวงปู่มีกิเลสอยู่เต็มพุงเลยหลวงปู่ก็จะนับได้สิ่งไหนที่เป็นของแข็งหลวงปู่ก็จะนับลงมาเป็นหนึ่งดินสิ่งไหนที่เป็นของเหลวหลวงปู่ก็จะนับลงมาเป็นหนึ่งน้ำสิ่งไหนที่เป็นพัดไปมาหลวงปู่ก็จะนับว่าหนึ่งลมสิ่งไหนที่ร้อน คืออบอุ่นรถปูเขาจะนับว่าหนึ่งไฟนับเป็นเห็นเม็ดใจนีเข้ามหาสมุทรได้นับเป็นแดดเม็ดลมเม็ดฝนก็ได้เหมือนกันนับเป็นน้าก็ได้เหมือนกนันหนึ่งดินหนึงน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมอ๋อจะเขาว่าจะจะเข้าใจว่าเขานับผิดได้ไหมเขานับลงเป็นรักหน่วยอ๋อถ้าจะไปนับจนถึงอสงไข้พวกนับก็เป็นผีบ้าพวกไปเป็นมาการรมมาการก็ผีบ้ามันกี่วันมันยังจะสําเร็จนะ จะว่าเขานับผิดมันก็ไม่ผิดหนึ่งดินหนึงน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมเอกปฏิเวทธาตุธาตุเอกอาโปธาตุเอ ก, อ เ, อกเตโชธาตุเอกวายโยธาถ้าประทุกย้อนลงมาหาเอกทุกเห็นทุกในปัจจุบันเนี่ยทุกอดีตอนาคตแม่เจ้งสงสัยบางท่านก็หน่ายทุกไปเลยข้ามทะเลหลงไปเลยนะเหมือนอย่างเป็นสัจวรูปเป็นสัจเปเห็นนั่นเองเพราะบารมีแก่กล้ามาแล้ว เขาไม่ให้พูดมากที่เอาละนะ้วนนันี่เหนื่อยแล้วพอที่จะสรุปี่ยจะพูดมากสักเพียงใดเขาย่อนอลงมาเป็นหนึ่งนั่นเอง mm hmm. พูดมากก็มากออกมาจัดใจหาสกหาลงมาหาใจเอกจิตเอกธรรมพูด น, น้อยก็น้อยออกมาจัดใจ mm hmm. เกิดกีริยาจีภพก็ย่นลงมาหาเอกชาติเอกภพในปัจจุบัน ชะทุกย่อลงมาหาเอากาทุกในปัจจุบันชาะสังขารย่อลงม า, าเอากสังขารในปัจจุบันในโลกในมีแต่กองทุกย่อาหักทุกเรามาเป็นหนึ่งซะอดีตที่ล่วงไปอะไรกองทุกที่ยังไม่มาถึงก็กองทุกปัจจุบันก็กองทุกกอไม่สงสัยในทุกสังกูงเห็นพ่อขับลมหายใจเข้าออกก็ได้เห็นพ่อขับ ล้ะคิดเทนคิดก็ได้นึกขึ้นแรกก็ล่วงไปนึกขึ้นแรกก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะข้ามทะเลหลงของตนไปที่ข้ามทะเลหลงของตนไปได้ก็พระไม่สงสัยในผู้นึกผู้คิดความตรึกเป็นเครื่องสัญจรของโลก ความตรเป็นพระนิพพานไหมใครเป็นผู้พูดใครเป็นผู้ยืนเดินนั่งนอนรับตื่นนึกคิดกินอยู่ก็คือสังขารในกองทุกพระนิพพานไม่มากินมานั่งมานอนมายืนมาเดินมานึกมาคิดด้วยใช่ไหมนั่นจะม่งกลัวอ่ะเอาะไรเนาะนี่เ น, นี่ยหม อ, อยาเอามาด้วยเนี่ยพ่อจอร์เราโลกมโหสถี นี่เอาหนังสือคนละเล่มละเล่มละเล่มละเล่ ม, ลล ม, ลลมหนังสือทำคาสอนเ ด, ด, ด, ด, ด, ดี๋ยวเดี๋ยเียถ้าถ่ายรูปกับหลวงปู่ก็ดีนีอน่อย่างหนึ่งแต่ไม่มีอย่างหนึ่งเวลาเราออกไปไหวนะเอาไปได้สูงกว่าพระไตรปิฎกก็คัดเครื่องอีกี่นี่ ถ้ า, าไว้สูงกว่าครูบาอาจารย์ก็คัดข้องเอกกกงก็ลําบากเหมือนกันถ้าผู้เอาไว้เป็นก็ไม่บาปถ้าผู้เอาไว้ไม่เป็นก็บาปรูปในหนังสือก็เหมือนกันลําบากมากทุกวันนี้ถ้าเอาไหว้สูงกว่าพระไตรปิฎกก็บาปเพราะมีรูปคนอยู่นั่นด้วยนักใจอยู่ตอนเนี้ย หลวง ป, ปู่มั่นเขารบมากเขารบหนังสือหนังสือแต่ละชาติแล้วเพราะการเรียกคำสอนพระพุทธศาสนาได้ท่ดอย่างนั้ น, ไ, น, นไม่ควรเยียบย่ําไม่ควรเอาไปเช็ดตูดไม่ควรเอาไปเช็ดของถักระปกุกไม่ควรเอาลงในกระโถนทานพูดอย่างนั้นหลวง ป, ปู่มัน่นหลวง ป, ปู่มั่นไม่ได้ถ่ายรูปเหมือนพวกเราเยอะๆก็มีสองรูปเท่านั้น รูปหกสิบกับรูปห้าสิบเท่านั้นใครไปถ่าย ไ, ม, ไม่ทราบแต่พวกเราต้องการถ่ายก็ถ่ายซะกพู้ที่ฟังเฉยยกมือยกมือเลยยะท้าวณิวาพุราปิโพเยนตีรักขลาภเอวเมวิโตทินังเปส์านังอุปกระปติจิตังมุติทังตุมัง ขี่พเมวาสิมิชตูสะเพยภเรนดูสังคป่าจันดูนาละโสยธามิโสธิระโสยธาสะพีธิโยเยวัจสัพุทโกโยจะรโกวินัตุมาเตพวตวนตรายโสดีทีคาโยโภภวปิวาตนาสีนิสัิจังวทาปัญญโนจตารูธรมาวะทันติ อาโยวนันูสุขังภาลังด้วยเดชพระพุทธศาสนาอัจฉริมงคลข้ามันมีประมาณเลกทรงอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผ<ม>ู้รู้เละไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแลยไม<ะ>่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้เพราเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ ม, มาในในที่นี้ก็ดีทั่วทางไตรโลกะเราประสบจากความสุขความจเจริญในมรรคพุทธศาสนาข้อพระชมาสุพระเจ้ายิกก่งขึ้นไปกันถึงที่สุดทุกบริชอบโดยด่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเถิดอะไรนะโมวายวันท่าสาเรา ไหวพระพุทธเจ้าทั้งพร้พอมพร้อมสงฆ์ท่านน้อยขอให้กายท่านร้ายขอให้ผลรักษาศีล น, น้อยพราะถ้าบุญน้อยขอให้กายถ้าบุญร้ายขอให้ผลย่าเนี่มาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารอีกเลยเขออ็ดลาบแล้ ว, วอ๋องสั่นว่าเนีน่ยนิสาเข็ดลาบปฏิบัติน้อยขอให้กายปฏิบัติ ร, ร้ายขอให้ผลย่าเนี่มาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารอีกเลย ท่องเที่ยวมาเพ้าแห้งแล้วมาถิมหางกระดูกมาถิมน้ำตาไว้ในวัตตาสงสารไงท้องเที่ยวมาสร้างแผ่นดินตายแล้วไปเป็นดินบาปไปบวกบาป บ, บุญไปบวกบุญมะขอนี่พ่านไปบวกกันขออย่ามาเกิดแก่เก็บตายอีกเลยให้เขาสู้ขาเนี้ยพ า, านราสตร์นี่เป็นสาสตร์ุดถ่ายเออ อาจะมาชาตินัดที่ฐานนี้ปุณณโวติพบไม่ยาไหนมิกิเลศพัฒนาตันหาลอยแปดปัญญาไว้แก่กายฟันหม่างมูนทองเหมือนดังแสงจันทร์ตองเดือนเพ่นครับมืดสายสบางกายแจ่งสุภาพกิเลศที่พัฒนาตันหาลอยแปดปัญญาไหวแก่กายฟันหม่างมูนทอง เหมือนดังแสงดงจันทร์ตองเดือนเพ่นครับมื่นสสว่างจ้าเห็นแจ้งสูผ้าเงาไปหลายก็เป็นสังขารควบเกา่าเงอไปน้อยก็เป็นสังขารควบเกา่าพระเทพภาพเรามาอยู่เดือนนั่งนอนรับตื่นกินอยู่ผู้ไหว้คือมูเฮ้าท้าไมเกิดไฟรับก็เกิดก็ดับหาลาวาโมไม่ได้ คือสังขารในกองถูกฝ่ายบ่เกิดบ่รับกับบ่เกิดบ่รับห้าระวางว่าไม่ได้คือพระเนป่านจงรู้ตามมันจริงปฏิบัติตามมันจริงุดทอนตามมันจริงซักเรารู้พระเนพานตามมันจริงของพระเนพานเรารู้สังขารตามมันจริงของสังขารแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองพระพุทธเจ้าเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจึงไม่มีพระพุทธเจ้าเออ เราไม่สำคัญตัวอยู่ในที่ใดทัด้งสิ้นเหตุนั้นวิญญาณมติสติของเราจึงไม่มีธรรมสันสูงผู้จิตสูงกับผันมีเบาๆกับผันบานดายผูบ่เคยดิ้นกับตา่างด้งิ้นผู้กอ ร, ระอากาขอระอาคาก็เป็นเรื่องหนึง่งเมื่อปัญญาสูงสมาธิและศีลก็สูงด้วย เมื่อร่างกายแก่ผมขนและฟันนั้นและเกระดูกก็แก่ไปด้วยเมื่อปัญญาสูงศีล ส, สมาธิปัญญาก็สูงด้วยอันที่ศีลสิกขาสิกขาคือศีลอย่งอันที่กิจตาสิกขาสิกขาคือกิจอย่งอันที่ปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งคือเห็นอนัตตาชัด ทำแต่ละวัฏระบาดเป็นของว่างทำไฟเกิดดับก็เป็นของว่างทำายไม่เกิดไม่ดับก็เป็นของว่างอยู่ตามธรรมชาติไม่ทำไฟเกิดไฟดับก็ไม่ยืนยันว่าจะอยู่ในอุ้งมือของท่านผูน้ใดทำายไม่เกิดไม่ดับคือพระนิพพานก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะยอมตัวเป็นธรรมของคนนั้นคนนี้เหตุนั้นจึงว่าธรรมเป็นของกลาง จึงรู้ตามเป็นจริงเรารู้พระนรพลตามเป็นจริงของพระเนรพลเรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารเรารู้สมมติตามเป็นจริงของสมมติเรารู้อิ ม, มุติตามเป็นจริงของอิ ม, มุตแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทางสองเหตุนั้นเราจรึงข้ามทะเลหลงไปซะ เรารู้ปัจจุบันตามเป็จริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในปัจจุบันเรารู้อดีตตามเป็จริงของอดีตแต่เราไม่ติดอยู่ในอดีตเรารู้อนาคตตามเปจริงของอนาคตเราไม่ติดอยู่ในที่ใดๆทั้งสิ้นเหมือนนกบินในอากาศไม่มีรอยเลยเหตุนั้นเราจึงข้ามทะเลหลงไปซะกรรมรมศาสตร์เราไม่ยืนยันพระผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้เราเราไม่ยืนยันว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตเหตุนั้นเราจึงข้ามจิตข้ามตนไปซะ ข้ามสมุติจะมีมุดไปในตัวไม่ต้องทํากิริยาข้ามพระบรมศาลาธรรมะชั้นสูงผวังคนทุกข์นะว่าตาสงสารปัญหาไม่มากทําไมจึงไม่มากเพราะเห็นโลกแต่ไปด้วยกองทุกข์ปัญหาก็เลยไม่มากลุมฉานเพลิงคืออะไรก็คือโลกนับแต่พม่าโลกลงมานี่เองหาสุขในโลกไม่เจอไม่เจอะไม่พบไม่ปะไม่เห็นชิงได้ไม่เที่ยงสินั่นเป็นทุกข์ ในโลกไม่มีอะไรเที่ยงว่างไม่มีอะไรเที่ยงเมื่อไม่มีอะไรเที่ยงก็ไม่มีสุขเมื่อสุขนะเราเนี่รดุดชีตีติแปรผู้ย่อยยับไปพรมโรมศาสตราไม่รับรองว่าโลกเป็นของสุขรดุดชีตีติแปรผู้ย่อยยับไปไม่ให้คะแนนเลยทำชั้นสูงมาให้คะแนนเล ย, ห เ, เ, ลยเห็นนั้นพระทานจึงข้ามทะเลหลวงของตนไปซะเออกูหลงมา กูหลงของไม่เที่ยงมาเป็นของเที่ยงกูหลงว่าของเป็นทุกข์มาเป็นของสุขกูหลงว่าของไม่ใช่ตัวตนถ้าเป็นของตัวตนกูหลงว่าหนังหุ้มอยู่โดยโดยรอบเป็นของงามมันเป็นความผิดของกูทีนี่ก็ถอนความผิดลงมาจาโคพตินิสโคสลับความเข้าใจผิดทิ้งตูมเลยมันละมันไปเองเช่นเราลืมตาเธอมืดมันละไปเองมันมืดเอ๋อข้าไปเก้าลืมตามาแล้วเธอจังไปนะ บอกไม่ฟังบอกดืวอเก้งๆเราก็ไม่ได้พูดเมื่อรู้เท่าความหลงของตนเนี่ยความหล ง, งก็เตะก็เจอไปเลยใครเป็นผู้บัญญัติบาปบุญคุณโทษถูก<อ>ก็ไปสมาสมพุทธเจ้าท่า น, นั้นเหลือนอกนั้นก็อย่าเอามาเอ่ยเลยกายยี่กระสุขสุขทางกาย คือปรศาศจากโรกภยรกัยไข้เจ็บแก่ไตเสิบอทุกทุกสางใจคือไม่มีเบียดเบียนท่านทันน่นในน้องรับพี่ร่วมทีวีพี่รมท้องเหมือนหนึ่งสองแขนติดสนิทกายรองน้ำขึ้นบกตกไหนก็ไปด้วยคงชู้ช่วยเพื่อนฝีไม่นหนีหนายรู้รักกันอย่ามีราขีขายใครก้าร้าเก็บแทนโดยแค่นเคือง สุขจะสมประสงหรือไม่สมประสงค์ก็ต้องแสวงหาคำา่าทุกๆได้ยินแต่เสียงก็ไม่เข้าใจเข้าใจสุขคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่มาให้เวียดเวียนชิงกันและกัน เหตุนั้นจึงมีสิกขาบทปาณาอยู่เบื้องต้นอนธินาคามมุสาสุรายู่อยู่ท่ายํำสอนอุทธศาสตร์สนาเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นพรมสมบัติเป็นนุภานิพานสมบัติเต็มภูมิแนว ความละอายต่อบาป ค, ความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้วิธีปกครองโลกพระพุทธศาสนาก็สอนกีนาราสพระองค์ก็มาสอนอันเดียวกันทำเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาป ค, ความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มียังอายต่อบาปไม่มี ค, ความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายจะตั้งกีนาราสก็ไม่อยู่นฎนมายของชาวโลก อา้าชาวโลกมีเพียงชิ้นห้าบริบูรณ์ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีใช่ไหมโซ่ตัวนก็ไม่ต้องมีใช่ไหมขายของก็ไม่ต้องเฝ้าใช่ไหม เ, เหตุนั้นจึงทรงสนอเสริงาศีรังโลกเกอนโนตตโรศีนเป็นเยี่ยมในโลกอธิโลกเกศีนักคุณศีนก็มีอยู่ในโลก โรคอะไรโรคหัวใจของชาวมนุษย์สัต์จังสสใจยะทุติย์าความสัตว์ก็ไม่อยู่ในโลคโรคหัวใจไม่ใช่โรคอันอื่นใครเป็นผู้รักสันติภาพองพระธรรมสัพพุทธเจ้าเจานั้นรักสันติภาพพระธรรมสัพพุทธเจ้าสร้างบารมีมา มีพุทธประสงค์อยู่สามข้อพุทธะจริยาทรงเพื่อเป็นพระพุทธเจ้ายาตต ะ, ะจริยาทรงเพื่อสงเคราะห์ญาติโลตต ะ, ะจริยาเพื่อสงเคราะห์โลคมีสามข้ออยู่ด้วยกันทีนี่เวลาจะมาพักนี่คงตจงมีเวลาน้อยเพราะจะไปข้างหน้าอยู่ใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นก็ให้พรกันแล้วก็ไปได้ไหมได้นะเพราะเวลาน้อยนะยะทาวาเิวะปุราปริภุเรนติชาครังเอวะเมวะยิโตเทนังเปยทานังอุปกปฏิมิชิตังปฏิตังตุมหังคิดประมิวะสมิเถทุสะเพปุเรนตุสังขป่าจันโทปนัสโสยะชา มณีโชตระโสยธาสพิติโยยวัชนาสพตทุโภตสัพพโยสัพพโภวินัตตุมาเตผวัตวันตรายูสุขีทีคายุโภภอภิวาชนสีนิสันิจังมุทจาปยาโยจตรูธมาววันติอายุวันูสุขังพลัง้วยเดพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้ามามีประมาณแล้วก็ทรงมีทุกการด้วย ม่ขึ้นอยู่ก็ูรู้ได้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่ก็ผูเชื่อได้ไม่เชื่อเมื่อเป็นอย่างนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี่พอดีที่ม่ได้มาในที่นี่พอดีทั้งทางใจโลกาต้องมาพบจากความสุขคนเจริญในรพระรพุทธศาสนาะของพระสมานพรพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่ ว, วนโดยไม่เหลือทุกทั้งหน้าทั้งทางใจโลกาอยู่ทุกเมื่อทื่อพ <c oughs> ระมน า, าพุทโธพุทโธไปเนาะ ไปในรถในเรืออย่าไปทิ้งพุโทโธธรรมโมสังโฆ ก, ก็อยู่ที่นั่นเองไม่ได้อยู่ที่อื่นเออภาวนาพุโทโธธรมโมสังโฆยงพากันเป็นสุขทุกท่วนหน้าอย่าได้มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยเ อ, อไปอายุวโนสุ ข, ขังพลังเนอ้อไปใม่เป็นสุขทุกท่วนหน้าเท่าทางเตรโรคาอยู่ทุขเมื่อเชิ ในคันในไข่ในเท่าในไข่และเกิดพุทขึ้นจงเป็นสุขทุกข์ท้่นหน้าในพระพุทธผสมพระธรรมประสงอยู่ทุกมาเืินสุกในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เป็นสุขบานหน้าคือสุขในพระโสดาบันบานหน้าไปสักทาคามีบานหน้าไปอนาคามีแน้วกกบานหน้าไปหาพระรหัสุกต่ำกว่านั้นลงมาวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารใช่ไหมน่เออเออฮะเออ เออต้องไปพณิพานไปพระณิพานไปทางไหนก็ไปทางชินห่านี่เองเอไม่ใช่ได้ยร่วงระเมิดชินห่าไปทางสมาธิิเห็นชอบแล้วไม่ใช่ได้ยร่วงละเมิดชินห่าไม่เสียดายอยากถือศาสด า, าอื่นไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกพันนั่นเราค้นทางไปทางพณิพานที่เรียกว่าอัฐังชิดขบักข่าแปกนะย่นลงมาเป็นหนึ่งซะ มันเป็นอเนจิตตาทรมล่วงไปไม่ใช่อายุเลขผู้ใดเล่นเลขผู้นั่นอยู่หา่างไกลไตสนาคมไตสนาคมด่างพร้อยเล่นเลขอย่าไปเล่นเออลูปูวันเจ็ดรอบเนี่ยเจ็ดรอบบริบูรกำลังย่างเข้าแปดพิพา อ, อ, อยมวดจีร่านพันษาก่อตามชาเทียดายเล่นเียกอยู่มันก็ไม่ใช่สุปฏิปันโนใช่ไห ม, มท่านผู้ใดต้องการอยากจะถามเรื่องภาวนาก็ถามซะเรื่องปริยัติก็ยัดเข้าที่กายวายกาย เรื่องปฏิบัติก็ปฏิบัติเข้ากายวายกายกายเรื่องปฏิเวศก็คือผลของการปฏิบัติกายวายใจายกายเองนี่พูดเป็นสามพูดเป็นสองกากายกับใจพูดเป็นหนึ่งก็คือใจก็สูตรก็สูตรของกายวายจายกาพระประมัตถ์ก็มัดเข้าที่กายวายกายกายศีลก็ตัดศีลลงที่กายวายกายกายถ้าตัดศีลลงที่ใจแห่งเดียกก็ เจ้อเอกกันเที่ยวบางสินห้าถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นเชือกห้ากรีอีวเนียวอยู่ที่ดวงใจสินแปดก็เหมือนกันถ้าไม่ร่วงละเมิดก็เป็นเชือกแปดกรีอีกสินสิบก็เหมือนกันถ้าร่วงไม่ร่วงละเมิดก็เป็นเชือกสิบกรีอสินสองรอยยี็ดก็เหมือนกันแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์ก็เหมือนกันก็รวมลงแปดพันสี่พระธรรมขันธ์กรีอยู่ที่ดวงใจในปัจจุบันนั่นเอง พระจักรพพระสสดิบาลพระจักรพรักขาคารีพระจักรพรพระอนาคามีพระจักรพรพระอรหันต์พระจักรพรพระปฏิเสธพระจักรพรพระสมานพพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันมันก็ไม่ได้มันมีน้ำหนักกว่ากันปัญญาของพระโวสดิบาลปัญญาของสักขาคามีปัญญาของพระอนาคามีปัญญาของพระอรหันต์ปัญญาของพระปฏิเสธปัญญาของพระสมานพพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันก็ไม่ได้มียิ่งยอนกว่ากัน ศีลสมาธิปัญญาไม่อยู่คนละมุมโลกศีลอยู่ที่ใดสมาธิก็อยู่ที่นั่นปัญญาก็อยู่ที่นั่นชีลานวสติได้ลึกถึงศีลของตนเมื่อแล้ลึกถึงฐานของตนก็สมาธ so ิก็อยู่ท <pre> ี่นั่นจาระนวสติเนี่ยเมื่อแล้ลึกถึงฐานของตนก็สมาธิก็อยู่ที่นั่นเป็นจะเพียงว่าจะจับอยู่แห่งเดียวหรือไม่แห่งเดียวเท่านั้นจะจับหลายแห่งก็เป็นแห่งเดียวกัน สินในอดีตสินใ hmm. นอนาคตสินในปัจจุบันก็มีความหมายอันเดียวกันถ้าในอดีตถ้าในอนาคตถ้าในปัจจุบันก็มีอันเดียวกันภาวนาในอดีตอนาคตปัจจุบันก็มีความหมายอันเดียวกันอดีตคืออะไรคือกายว่ายใจใจที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือกายวายใจใจที่ยังม่มาถึงปัจจุบ <source. S 2> ันคือกายวายใจใจที่กําลังเป็นอยู่มีความหมายอันเดียวกันอดีตคืออะไรคือทุกที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือทุกที่ยังม่มาถึงปัจจุบันคือทุกที่กําลังเป็นอยู่ อดีตค si ือดินน้ำไฟลมที่ล MM ่วงไปแล้วอนาคตคือดินน้ำไฟลมที S <S ่ยังมาถึงปัจจุบันคือดินน้ำไฟลมที่กำลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคือสังขารที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือสังขารที่ยังมาถึงปัจจุบันคือสังขารที่กำลังเป็นอยู่ก็มีความหมายอันเดียวกันอดีตคืออะไรคือคิตใจที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือคิตใจที่ยังมาถึงปัจจุบันคือคิตใจที่กำลังเป็นอยู่นะอดีตคืออะไร คือพุทโธ ท, ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือพุทโธ ท, ที่ยังม า, มาถึงปัจจุบันคือพุทโธ ท, ที่ยังเป็นอยู่ส่วนคุณของ พ, พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์มาด้ร่วงรับดับขันไปไหนนี่เป็นของจริงอยู่ไม่มีกังวนคือและก็ไม่มีประมาณอีกด้วย น, นี่ถ้าผูดด้ใดสงสัยอะไรก็ถามซักในเรื่องภาวนานี่ยังสงสัยต่างๆนานาก็ถามซะเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลัง เพราเราต้องมีความอธิษฐานสัจจะความจริงใจคือพื้นสิ่งใดก็ได้จริงอธิษฐานธรรมคือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจทอย่างหนึ่งปัญญาลับลูกสิ่งที่ควรลูกของสัสจจะ ค, ความจริงใจคือพื้นสิ่งใดก็ได้จริงสามชาคะสระสิ่งที่เป็นข่าศึกแข่งความจริงใจสี่วกัะสะมัตสงบใจจากสิ่งที่เป็นข่าศึกแก่ความสงบฉัน้นทะพอใจละไข่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้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 ลมหายใจเข้ายังไม่ทันออกก็อยากไปหมายลมหายใจออกยังไม่ทันเข้าก็อยากไปหมายแต่ด้วยความจำนานมันรู้แล้วลมหายใจเข้ากระทบที่ไหนลมหายใจออกกระทบที่ใดก็จำไว้เท่นั้นและไม่ต้องสงสัยหาไปทางอื่นให้สําคัญว่าสี่งก็ตัดศินลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นในปัจจุบันปัญญาก็รับรู้ในปัจจุบัน ให้เป็นฉีนตัวเดียวให้เป็นสมาธิตัวเดียวให้เป็นปัญญาตัวเดียวอยู่ที่แห่งเดียวเหมือนเราจับนังก็ถูกเนื้อถูกกระดูกที่แห่งเดียวเหมือนเราเห็นหน้ากันก็เห็นตาเห็นจมูกแต่เราพูดอักษรกันน่อเฉยๆว่าเคยเห็นหน้ากันไอ้แท่ก็เห็นตาเห็นจมูกยูแห่งเดียวกันแต่อักษรย่อจับนังก็ถูกเนื้อถูกกระดูกเหมือนกัน